ทีนี้ต่อไปนะครับวิญญาณปรากฏชัดแก่ผู้ใดแม้ผู้นั้นจะกําหนดอารมณ์มีภาษาเป็นที่5้าเหมือนกับว่าไม่ใช่แต่วิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นแม้ภาษาที่ถูกต้องอยู่ซึ่งอารมณ์นั้นนั่นแหละก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับด้วยวิญญาณนั้นแม้เวทนาที่เสวยอารมณ์อยู่แม้สัญญาที่จําอารมณ์อยู่แม้เจตนาที่คิดนึกอยู่ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับวิญญาณนั้นเกิดพร้อมกับวิญญาณนั้น พระโยคาวาจร น, นั้นไครครวญอยู่ว่าธรรมทั้งหลายมีภาษาเป็นที่ห้าเหล่านี้อาศัยอะไรอยู่ดังนี้จะรู้ชัดว่าอาศัยวัตถุอยู่กรรชกายชืีววัตถุคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็เลวิญญาณของเรานี้อิงอาศัยในกรัชกายนี้เนื่องแล้วในกรัชกายนี้ทรงหมายเอากรัชกายใดกรชกายนั้นโดยเนื้อความได้แก่ภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหลายเธอเห็นเป็นเพียงนามกับรูปเท่านั้น บรรดาสองอย่างนั้นวัตถุเป็นรูปธรรมะมีภาษาเป็นที่5าเป็นนามนะครับด้วยประการดังกล่าวมานี้สองอย่างนี้รูปได้แก่รู ป, ปรขันนามได้แก่นา ม, มาขันสีที่ไม่ใช่รูปดังนั้นจึงรวมเป็นขัน5แท้จริงขัน5ที่พ้นจากนามรูปหรือนามรูปที่พ้นไปจากขัน5ไปเนี่ยนะครับเป็นไม่มีนะครับนามรูปก็คือขันหขันหก็คือนามรูปนั่นแหละ คือในถ้าถ้าวิเคราะห์แล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเช่นหูกับเสียงเนี่ยที่ดังเนี่ยนะหูเนี่ยเป็นวัตถุคือเป็นรูปนะโสตะวิญญาณที่ได้ยินเสียงนะครับเป็นนามภาษาเวทนาเป็นต้นก็เกิดร่วมพร้อมกับนามทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อาศัยภูตรูปและอุปาทายรูปนั่นแหละเกิดขึ้นตามทวารทั้งหลายนะครับในในหทวาร น, นั่นเองนะครับ เมื่อเธอไข่ควรวนอยู่ว่าเบนจขันเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุนะครับในชั้นต้นเนี่ยนะครับพยายามทรงจําคําสอนเหล่านี้แล้วพิจารณาจนชัดเจนเมื่อชัดเจนดีแล้วก็พิจารณาว่าแต่ละขันเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีอะไรเป็นเหตุก็จะเห็นว่าวิชาเป็นเหตุแต่นั้นยกเบนจขันขึ้นสู่ตรัลักษณ์ด้วยสา ม, มารถแห่งนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนะพิจารณาว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะไม่ใช่พิจารณาแต่สภาวะนั้นนะพิจารณาทั้งปัจจัยของสิ่งนั้นด้วย ว่าไม่เที่ยงเหมือนกันว่านามรูปนี้เป็นไปทั้งปัจจัยนะคือเป็นไปอาศัยปัจจัยนะครับทั้งสองอย่างนี้อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นไม่มีสัตว์หรือบุคคลอย่างอื่นมีเพียงกองสังขารล้วนๆเท่านั้นนะครับถ้าลักษณะนี้นะนามรูปเหล่านี้มีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั้นกรรมก็ไม่เที่ยงผลของกรรมก็ไม่เที่ยงไม่มีสัตว์เลยมีแต่กรรมและผลของกรรมนี่แหละสืบเนื่องไปนะครับ แล้วก็พิจารณาตามลําดับวิปัสนาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับกรรมและผลของกรรมนี้เป็นอนิจจังเพราะขยับเทนะสิ้นไปเป็นทุกขังเพราะพยัาเทนะหนักลัวแล้วก็อาศารากัดเทนะเพราะไม่มีสาระอะไรเลยนะครับก็พิจารณาอย่างนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่นี้นะทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันภายในภายนอกยาละเอียดเลวประณิด น, นะทุกอย่างต้องเอามาไขา้ครวญหมด นะครับไข่ควรมากๆอย่างนี้แล้วเธอจํานงหวังปฏิเวทนะครับหวังตรัสรู้เลยนะครับอยู่ว่าเราจะตรัสรู้ในวันนี้เราจะตรัสรู้ในวันนี้ในสมัยเช่นนั้นได้อุตุเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายโภชนะเป็นที่สบายหรือการฟังธรรมเป็นที่สบายแล้วนั่งโดยบาลังเดียวคือนั่งดิดลงท่าเดียวเท่านั้นยังวิปัสสนาให้ถึงที่สุดย่อมดํารงอยู่ในอรหัตผลนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่เห็นโดยรวบรัตนะครับเพื่งทราบกรรมฐานจนถึงอรหัตผลของชนทั้ง3มเหล่าดังที่พันณนามาชนนี้นะครับแล้วแต่จะยกว่าภาษะเป็นประธานหรือเวทนาเป็นประธานหรือวิญ ญ, ญาณขึ้นเป็นประธานแต่แนวทางแห่งการตรัสรูม้มรรคผลก็จะเป็นไปตามแนวนี้นะครับเราอ่านในเถรรัชานนะครับไปเจอคำคำที่ท่านมักจะเปล่งอุทานว่าวันนี้แหละวันนี้แหละจะบรรลุจะแทงตลอดเนี่ยนะฮะ ก็มามาถึงตรงนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าคนที่จะพูดอย่างนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องรู้เรื่องของปริญญาสามอย่างชานิชานานมากเลย น, นะและจึงมั่นใจว่าเออถ้าไม่จึงมาบอกว่าวันนี้วันนั้นเนี่ยฮะมันก็ถา้าฟังไม่ดีก็อาจจะเอาตามอย่างท่านโดยที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ก็มีอัธยาศัยจะเอาตามนี่ก็ดีแล้วนะครับ แต่จะควรให้เอาตามให้ทุกอย่างนะครับ <c oughs> ควรเอาตามให้หมดนะครับแต่ว่ามีอัธยาศัยเอาตามนี่สาธุโมทนาโดยนะครับแต่ในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสอรูปกรรมฐานตามอัธยาศัยของผู้ที่จะตรัสรู้ด้วยความสา ม, มารถแห่งเวทนาจึงตรัสไว้ด้วยความสา ม, มารถแห่งเวทนาทีนี้มาศึกษาปกิน ก, กะหรือการวิเคราะห์เวทนาโดยนิยต่างๆนะครับ นะมีอยู่8ในด้วยกันนะครับถ้ารู้เวทนาจริงๆนะครับต้องเอา8ในนี่นะมาขยายได้นะ 1. โดยลักษณะของเวทนา 2. โดยอธิฐาน 3. โดยอุปติ 4. โดยอนุสัย 5. โดยฐานะ 6. โดยประวัติการ 7. โดยอินทรีย์8โดยทุวิทาทิตานะครับ8ในนี่นะครับต้องวิเคราะห์ได้จึงจะเรียกว่ารู้เวทนาจริงนะครับในเนี่ยรู้ได้ยังไงครับ ท่านก็อธิบายให้เราฟังเราก่อนนี่แหละครับอ่านแล้วก็ทรงจำมาไว้ไปพิจารณาตามเท่านั้นแหละกิจมีเท่านั้นจริงๆนะครับเพราะว่ า, าศาสดาผู้อนุเคราะห์เราแสดงไว้หมดแล้วไม่ต้องไปค้นคิดหาอะไรให้เหนื่อยอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปค้นคิดวิจัยเอาเองหรอกครับเพราะว่าคําสอนกล่าวไว้ชัดเจนแล้วเดินตามเถครับไม่ผิดหวังนะครับบรรดาปกกิญญาแปดอย่างนั้นลักษณะข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังทีเดียวนะครับว่าเช่นทุกขเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์ที่ ทุกขเวทนานะเสวยอารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาะทุกขเวทนาเสวยอารมณ์ที่น่าปรารถนาะอุเบขาเวทนาสเสวยมัชชัตอารมณ์นะครับตรงนี้นะโดยสภาวะของเวทนาแต่ละอย่างว่าเสวยอารมณ์อะไรแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรนะครับทำให้สุขทําให้ทุกขหรือเฉยเฉอย่างไรอันนั้นชื่อว่าโดยลักษณะภาษานี้ชื่อว่าอธิฐานะนะครับอธิฐานะนี้ก็คือฐ า, านะนี่นะครับแปลว่าเหตุ นะครับเหตุของภาษานั่นเองนะครับเหตุอันยิ่งของเวทนาได้แก่อะไรครับได้แก่ภาษะเพราะพระบาลีว่าภาษาปัจจยาเวทนาเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ภาษาจึงเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานะครับอธิฐานะก็คือที่ตั้งนะนะที่ตั้งของเวทนาคืออะไรคือภาษะนะครับจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปรียบเทียบ ด้วยอุปมากับแม่โคที่เขาถลกหนังแล้วเพราะภาษะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานะครับบรรดาเวทนาเหล่านั้นภาษะที่ให้เสเวยสุขเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานะครับหมายความว่าแม่โคถลกหนังเนี่ย네นะถ้าเขาเอายาเย็นมาทาก็สบายนะครับแม่โคถลกนังเนี่ยนะเอายาชั้นดีมาทาให้นะครับเออแผลบางอย่างนะถ้ายาบางอย่างทาแล้ว ย, ย็นนะ <S <S <S เคยเป็นแผลไหมครับ ย, ยาบางอย่างมาทาแล้ว ย, ย็น น, นั่นแหละสุขเวทนาว่างั้นแหละ <recognizable> ครับภาษาที่ให้เสเวยทุกขนะครับเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานะครับเช่นแผลเนี่ยนะครับเอาทิงเจอมาราดดูสิครับนั่นแหละภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเลยได้ทุกเลยภาษาที่ได้เสเวยอุทุกขมสุขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาได้แก่อาสันนการแปลว่าเหตุใกล้ น, นั่นเองนะครับคือภาษานัา่นแหละเป็นเหตุใกล้ น, นนะ เพราะฉะนั้นคําว่าอธิษฐานก็ได้แก่อาสัญนการนะครับคือเหตุใกล้ของเวทนานั่นแหละครับมันเหตุใกล้ของเวทนาก็คือผัสสะแต่อย่าลืมว่าผัสสะนั้นคืออะไรครับความประชุมแห่งธรรมสาประการคือนะครับวัตถุวิญญาณและอารมณ์นะครับเช่นถ้าทวารตาก็ได้แก่จักขูรูปและจักขูวิญญาณทวารหูก็หูเสียงและโสตะวิญญาณจมูกกลิ่นและขานะวิญญาณสิ่งเหล่านี้นะครับประชุมกันเรียวกว่าผัสสะ ภาษาอันนี้แหะครับเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาทั้งหลายนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเวทนาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอะไรล่ะเามื่อกี้บอกว่าเวทนานี้มีภาษาเป็นเหตุใกล้นี้ถามต่อไปว่าอ้าแล้วเวทนาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอะไรตอบว่าเวทนาเป็นเหตุใกล้ของตัณหาโดยมีความปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยมีพระบาลีว่าภาษะปัจจยาเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตันหาจึงมีนะครับคือตรงนี้ทําให้เห็นว่าเชื่อมไปหาปฏิจจสมุปบาทโดยระบบได้อย่างไรนั่นเองนะครับถ้ามันเป็นทุกขเวทนาแล้วมันจะเป็นเหตุใกล้ของตันหายัางไงฮะครับเขาถามไปแล้วนะครับฟังท่านว่าดีกว่าถามว่าสุขเวทนานี้เป็นเหตุใกล้ของตันหาจงยกไว้ก่อนเออเข้าใจอ่ะนะสุขใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละเอ๊แต่เวทนานอกนี้เช่นทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเป็นเหตุใกล้แห่งตันหาได้ยังไงนะสงสัยเหมือนที่ถามเลยนะครับ ข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไปก่อนอื่นแม้ผู้พรั่งพร้อมด้วยสุขยังปรารถนาสุขเช่นนั้นหรือสุขที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกคือคนได้รับความสุขอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นจะป่วยกล่าวไปยัยถึงผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำนะครับอทุกขรมสุขท่านเรียกว่าสุขเหมือนกันเพราะเป็นความสงบเวทนาทั้งสามเนี่ยเป็นพระธานแห่ง ตันหาเอาอยัางงี้นะครับคนมีอาหารอร่อยก็ยังอยากได้อร่อยอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นไปเรื่อยแล้วคนหิวล่ะทำไม่อยากอร่อยบัางเลยเนะครับเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของตันหาอย่างแท้จริงด้วยซ้าไปนะครับใช่ไหมยอย่างคนอบอุ่นอยู่แล้วเออเนี่ยนะสมุินะ อย่างอากาศหนาวอย่างนี้ใช่ไหมครับใครที่ได้ผ้าอุ่นอยู่เลยเออเนี่ยนะผ้านี้อุ่นนะบางคนก็ยังนึกเอ๊ะถ้าผ้าอย่างงั้นอุ่นดีกว่านี้มั้งนะอาจจะกระแสกกระซี้ไปเรื่อยๆนะครับนึกอย่างโน้นนึกอย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้สุกอยู่แล้วนะมันยังอยากยื่นเรื่อยๆเอาแล้วคนที่นอนหนาวเน็บเนื้อเนี่ยมันจะไม่อยากได้ได้ความอบอุ่นหรื อ, อยังไงเพราะฉะนั้นทุกนี่แหละครับจึงเป็นที่ตั้งหรือเป็นเหตุกล้า ي แห่งปัญหายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ทีนี้วิเคราะห์นิย่าที่สามหมายถึงอุปตัติอุปติคือเหตุเป็นที่เกิดนะครับเหตุเป็นที่เกิดเนี่ยนะคือถ้าจะเอาเหตุเป็นที่เกิดของเวทนาเหล่านี้เอาอะไรมาเป็นเหตุบอกว่าแท้จริงสัตว์และสังขารที่เป็นอิทธารมเป็นเหตุเป็นที่เกิดแห่งสุขเวทนานะครับนะถ้าจะถามหาความสุขนะจะต้องไปถามหาที่สัตว์และสังขารที่น่าปรารถนาที่นั่นแหละครับจะได้รับความสุขนะครับ ผู้ที่สแสวงหาความสุขก็คือไปหาผู้ที่ที่น่าปรารถนาของเรานะและสังขารที่น่าปรารถนาแต่อย่าลืมนะว่าสุขบางอย่างก็เป็นเหตุใกล้ของทุกข์อีกหลายสิบเรื่องหนึ่นกันนะครับะนะจริงอยู่อาจจะสุขแง่นี้จะแต่ จ, จะทุกข์อีกหลายๆแง่นะครับคําว่าอยากจะรู้สุขให้ปรารถนาผู้ที่อะไรนะั้นมีความสัตว์และสังขารที่ที่น่าปรารถนาอ๋อเมื่อกี้ใช้คาว่าผู้ผมเมือเลยงงว่าคงไม่ได้หมายถึงคน อย่างเดียวยที่น่าปรารถนาทั้งสัตว์และสังขารนะคะอารมณ์ตุกอย่างาเช่นนะครับถ้าปรารถนาความสุขนะเช่นว่าหนาวเนี่ยต้องปรารถนาสังขารคือโพธิภาพที่น่าปรารถนาอิฐอารมณ์ใช่ไหมอบอุ่นอย่างเงี้ยใชไถ้าหากว่าเราอยากจะนี่ก็ไปหาคนคนที่เราคุยกับเขาแล้วมันเพลินอ่ะนะถ้าอยากมีความสุขก็ไปหาคนที่เราคุยกันแล้วเพลิดเพลินเป็นต้นอ่ะนะลักษณะนั้นเราก็จะได้รับความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์และสังขารที่น่าปรารถนาเนี่ยอิทธารมณ์เนี่ยนะ อันนี้แหละครับเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสุขสาตว์และสังขารเหล่านั้นนั่นแหละที่เป็นอนิถารมเป็นเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกขเวทนานะครับถ้าอยากทุกนะครับไปหาสัตว์ที่เป็นศัตรูนะครับไปหาสังขารที่ไม่น่าปรารถนานะครับอันนี้ได้ทุกแน่นะครับไปหาสัตว์ที่ไม่น่าปรารถนานะครับทําไงรู้ไหมไม่ต้องห่มจีวร น, นะครับไปยืนอยู่ในที่รกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวได้คันแน่นะครับยุงตัดตะพึ่ tn ะครับ นะอันนี้ว่าสัตว์ที่ไม่น่าปรารถนานะครับนะถ้าอยากให้ร้อนก็นี่แหละครับนะถ้าอยากนี่เอาไม้เคาะหน้าแข้งอ่ะนะเป็นต้นเนี่ยนะครับอิดทุกก็จะอยู่แถวๆนั้นนะครับนะแต่เดินเหยียบที่แข็งๆเป็นต้นอ่ะนะทุกก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนานั่นแหละครับเป็นที่เกิดแห่งทุกขวเวทนาที่เป็นมัชตารมเป็นเหตุเป็นที่เกิดแห่งอทุทุคขมสุขเวทนานะอุเบขาเวทนาหาที่ไหน หาไอ้ที่อารมณ์ปานกลางนี่นะครับไม่เข้ากับหน้าปรารถนาและไม่หน้าปรารถนาเนี่ยนะเอางี้นะสมมุติถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักเราชอบนะในแวดวงเพื่อนฝูงที่เราชอบชอบกันยิ่งๆอ่ะนะมันจะมากไปด้วยความสุขว่า ง, งั้นแถอะถ้าไปอยู่ในแวดวงของศัตรูนี่ก็มากไปด้วยความทุกข์ถ้าอยู่กับใครก็ไม่รู้นะมารอรถด้วยกันเนี่ยนะโดยมากก็จะเฉยๆนะครับนั่งรอรถด้วยกันเนี่ยเฉยๆซะส่วนใหญ่นะครับ ก็อุบัติเหตุคือเหตุเกิดขึ้นนี้เพิ่งทราบความเป็นอิทธารมและอนิทารมโดยการถือเอาอาการของเวทนานั้นจากวิบากนะครับเน้นไปที่วิบากนะเช่นเห็นสีที่น่าปรารถนาก็เรียกว่าเป็นสุขไปสีที่ไม่น่าปราถนาก็นับว่าเป็นทุกข์ไปสีธรรมดาธรรมดาก็เป็นอุเบกขาไปนะครับถ้าเป็นช่างเขียนนี่น่าจะแยกเห็นนะโอภาพชั้นดีภาพชั้นเลวอันนี้ธรรมดาราคาท้องตลาดอะไรเงี้ยนะครับน่าจะแยกออกกันนะ นะพวกพระที่เลือกจีวรก็เหมือนกันเอจีวรนี่ชั้นดีนะนี้ชั้นเลวงนะั้นนี้ธรรมดาธรรมดานะเขาใช้กันเกลื่อนเลยนะพวกนี้แหละครับลักษณะเนื้อหาได้นะครับนะอาหารเนี่ยโอ้นี้ชั้นดีวันนี้ห่วยมากนะครับขนมบูดอย่างเงี้ยนะเออนี้ธรรมดาใครก็กินกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเ น, นี่ยอุเบคานะครับเพราะฉะนั้นเหตุเกิดก็สังเกตที่อารมณ์นะครับนะต่อไปอนุสยอนุใสนะครับ คือหามายเขาว่าเวทนาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยให้กิเลสอะไรเกิดบ้างนะครับว่าบรรดาเวทนาทั้ง3าเหล่านั้นเพราะสุขเวทนาราคาโนุสัยจึงนอนเนื่องอยู่คือหมายเขาว่าเพราะไอ้ความสุขนี่แหละครับราคาโนุสัยจึงเกิดถ้าไม่มีความสุขจะไม่มีกิเลสคือราคะเกิดเลยนะครับอย่าลืมว่าไอ้คำว่าอนุใสเนี่ยนะไม่ได้มันนอนแช่อยู่นะคือหามายคขาว่าถ้าได้รับความสุขโดยมากจะต่อด้วยโลภะนะครับลักษณะนั้นอ่ะเขาเรียกว่านอนเนื่องอยู่ในความสุข นะครับถ้าไม่สุขนั้นโลภะไม่เกิดง่ายๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าสุขเนี่ยเป็นปัจจัยโลภะชาวนะจึงเป็นโลภะต่อ ส, ส่วนใหญ่นะครับถ้าอารมณ์ที่น่าปราถนะจะต่อด้วยโลภะสุขเวทนานั้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้ของโลภะอย่างมากเลยนะครับเพราะทุกขเวทนาปฏิคานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่นะครับถ้าจะโทสะนะได้ทุกบ่อยๆเดี๋ยวก็โทสะเกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นคนป่วยจึงหดหงิดง่ายนะครับคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยนะครับ คนที่สุขภาพดีๆจริงๆจะร่าเริงอย่งนั้นเถอะคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยจะทุกข์ง่ายนะครับนะครับเช่นคนอย่างเทวดาเนี่ยโดยมากก็จะใจดีเพราะมีความสุขมากนะครับท่านสัตว์นรกก็จะทุกข์มากหน่อยท่ามนุษย์ก็สลับกันทีนี้ถ้าหากว่าอทุกขม์มสุขเวทนาอาวิชานุสัยจึงนอนเนื่องอยู่นะครับนะโง่เขาก็เฉยๆนี่แหละครับอารมณ์อุเบขาเนี่ยพิจารณาอะไรไม่ค่อยอ่อยตื้อๆนี่แหละครับ นั่นแหละครับมากไปด้วยโมหะนะครับถ้าใครอยากเจริญโมหะง่ายมากทําตัวเฉยๆไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยนะครับนั่นแหละโมหะจะบริบูรณ์อย่างนั้นแหละครับสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่านะครับสมดังที่ท่านใครครับท่านคื อ, อธรรมทินนาเถรีกล่าวกับวิสาขะอุบาสกว่าดูกอนวิสาขะผู้มีอายุเพราะเวทนาเป็นสุกเลราคาโนสัยจึงนอนเนื่องอยู่ดังนี้เป็นต้นนะครับ จริงๆแล้วสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมากไปด้วยโมหะนะครับคือคือคเขาเขาตัดสินอารมณ์อะไรไม่ได้อะไรมันก็เลยดูเฉยๆกับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันจะดูทุกข์ร้อนกับเรื่องโน้นบ้างยินดีกับเรื่องนี้บ้างเียนะครับก็มีาบางคนเนี่ยก็บอกว่าทำไมไม่ดูเอาแมวเอาหมาเนี่ยเป็นครูเราบ้างว่าดูไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรเลยอะไรเงี้ย รเราเนี่ยทําไมต้องไปเดือดร้อนกวนกับว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเอ้ยมาฟังเรื่องนี้ก็ยังไงยังไงเชี่ยวกรนนะครับคืออาจจะส้อนในแง่สันโดษเป็นต้นนะครับส่วนนั้นนะครับมันไม่ทุกไม่ร้อนกับเรื่องราวเลยนะครับเศรษฐกิจจะรวยจะแพงจะดีมันก็ธรรมดาธรรมดาคือในแง่นี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปทําตัวโง่โงเหมือนกับแมววานะครับนะครับไม่ใช่ไปทําตัวโมหะแบบนั้นนะครับกาครับจริงๆแล้วแมวไม่รู้เรื่องมันไม่รู้อ่ะ ไอเสตสกินเป็นยังไงครับแต่จริงๆแล้วเวลาเช้านี่อนเช้าเราให้ก่างให้ของมันอะมันโยนโยนไปเวลาแมวมันเห็นมันเข้าแย่งกันเลยทะเลาะกันนี่เนี่ยก็แสดงว่าเรื่องไหนที่มันรู้มันก็พอกันกันนั่นแหละครับพอกันครับทีนี้ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยไมายที่เขาอาจจะสอนแนะนําว่าก็ทําตัวเหมือนกับมันซะโดยนะไม่ต้องไป ยินดียินร้ายมากนักแต่ก็ไม่ได้สอนว่าโมหะเหมือนกันนะไม่ได้สอนในแง่นั้นนะครับทีนี้นักศึกษาพึงจัดทิฏฐานุสัยมานานุสัยนะครับเป็นฝักฝ่ายของราคะเข้าในราคานุสัยด้วยนะครับคือถ้าโลภะคือการมาราคานุสัยเกิดนะครับทิฏฐานุสัยก็เกิดพร้อมกันถ้าเป็นโลภะที่เป็นทิฏฐิคตสัมปยุทธนะครับ ถ้าเป็นโลภะทิฏฐิขตาวิปยุตมานานุสัยก็สามารถเกิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ราคานุสัยนะครับทิฏฐานุสัยกับมานานุสัยก็มาด้วยแล้วก็เพราะผู้ที่มีทิฏฐิทั้งหลายย่อมเชื่อมั่นในสกายะโดยในเป็นต้นว่าเป็นของยั่งยืนนะครับสำคัญว่าขันเนี่ยนะเป็นของยั่งยืนเพราะเพลิดเพลินกับความสุขเมื่อมีความสุขมากๆนะทิฏฐิก็บอกโอ้นี่แหละเที่ยงแล้วอันนี้ดีที่สุดเหมือนกันสุขที่สุด หรือว่าผู้มีมานะมาแต่กําเนิดอ้างมานะโดยนายเมียที่ว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดมันนั่นนะเราดีกว่าเขาพวกนั้นเลวกว่าเราหมดเละเป็นต้นเนี่ยนะมันมานะก็จะเกิดโดยที่เกิดร่วมกับโลภะเกิดร่วมกับราคะนั่นแหละส่วนวิจิกิจฉานุัยนะครับเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งอวิชชาเพราะฉะนั้นจึงจัดเข้าด้วยสมดังที่ตรัสไว้ในปฏิจจสมุ ป, ปาทวิพังว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัยวิจิกิจชาจึงมีนะครับอันนี้โดยอภิธรรมมณีนะปฏิจจสมุปบาทวิพังโดยอภิธรรมมัยหรืออภิธรรมภาชนีนะครั บ, บก็คือมันสัมปะยุติกันนั่นแหละครับว่าอาวิชชาเนี่ยก็คือโมหะมูลจิตนะนะโมหะมูลจิตไอไอโมหะตัวนั้นแหละครับเรียกว่ า, าวิชานุสัยทีนี้โมหะเนี่ยวิจิกิจชามันก็เกิดร่วมกับโมหะนั่นแหละนะครับในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละ คือโดยทั่วไปนี่เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาแต่จะพูดว่าเวทนาเป็นปัจจัยแก่วิจิกิจชาเป็นต้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอนุสัยทั้งหลายยังมีการดําเนินเป็นไปด้วยกําลังอยู่นะครับคำว่าอนุสัยเนี่ยหมายว่ามันมีกําลังมากนั่นเองนะครับคือหมายคว่าถ้าได้สุขเวทนานะักิเลสที่มีกําลังประเภทนี้จะเข้าทันทีเลยแต่ได้ทุกขเวทนาปฏิคานุสัยจะเข้าทันทีเลยถ้าอุเบขาเวทนาเนี่ยนะครับวิจิกิจชาหรือ โมหะก็จะเข้าทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นชื่อของกิเลสที่มีกำลังนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะภาวะที่ยังละไม่ได้ในสันดา น, นนั้นเพราะได้เชื่อเกิดเลยได้เชื่อเกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าสุขายเวทนายราคานุสยานุเสติจึงได้ความว่าราคะที่ควรแกการเกิดขึ้นในเมื่อได้เหตุที่เหมาะสมจึงเป็นเสมือนนอนอยู่ในสันดานนั้น เพราะยังไม่ได้ละด้วยมักเออเนี่ยนะตรงนี้อธิบายชัดเจนดีมากคำว่าอนุสัยนะครับคือหมายคำว่ามันได้ปัจจัยที่เหมาะสมแล้วเกิดทันทีเลยนะเหมือนกับมันนอนแช่อยู่ตรงนั้นอะ่ะเพราะได้อันนี้เกิดแบบนี้ ท, นทันทีพอเป็นแบบนี้แบบลักษณะนี้เกิดทันทีเลยนะเหมือนแช่อยู่ในนั้นอ่ะนะเสมือ น, นนอนอยู่ในนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นหมายหมายคว่าไอ้คว่าอนุสัยก็คือเน้นไปที่ว่าคุณยังไม่ได้เจริญอริยมรรคอะ่ะ ถ้าลักเจริญอริยมรรคเกิดซะมันก็ไม่เป็นเชื้อแล้วนะครับให้เผาด้วยไฟคือยานซะมันจะไม่เกิดนะครับแต่ปกติแล้วมันจะเกิดตรงนี้แหละนะครับคื อ, อพูดถึงตรงนี้เนี่ยครับเหมือนกับโรคบางอย่างนะโรคบางอย่างถึงรักษาพักหนึ่งแต่ถ้าเลิกรักษามันก็เกิดตรงนั้นอีกเนี่ยนะครับชั้นใดก็ดีนะครับอนุสัยทั้งหลายมันก็จะเกิดในสิ่ง น, นั้นๆเช่นโทสะก็จะเกิดในปฏิฆานิมิต ท, ทั้งหลาย ทีนี้ถ้าเจริญเมตตาบ้างมันก็เหมือนกับกินยานะพักเดียวแต่แตเลิกกินยาอกีกก็จะเกิดแถวนั้นแหละอีกนะครับจนกว่าจะกินยาแล้วหายขาดแล้วนั่นแหละจึงไม่เกิดโรคชิ้นนั้นในในแบบนั้นอีกชั้นใดกิเลสคืออนุสัยก็เหมือนกันนะครับ